ฉันนวัตหมวดว่าด้วยพระช น, นะปะโลกะธรรมสูตรว่าด้วยสิ่งที่มีความแตกสลายเป็นธรรมดาเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีครั้งนั้นท่านพระอาห น, นุนเข้าเฝ้าคุณถามว่าด้วยเหตุเพียงเท่าไรจึงตรัสว่าโลกทรงตอบว่าสิ่งใดมีความแตกสลายเป็นธรรมดาสิ่งนั้นเราเรียกว่าโลก ในอริยวินัยก็อะไรเล่าชื่อว่ามีความแตกสลายเป็นธรรมดาจากขุรูปจากกุวิญญาณจากกุสัมผัสแม้เวทนาคือความสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะจากกูสัมผัสเป็นปัจจัยก็มีความแตกสลายเป็นธรรมดาโดยในยะเดียวกันอายตนะทุกประการ น, นั้น มีความแตกสลายเป็นธรรมดาละวิญญาณที่เกิดจากแต่ละอายตนะนั้นเป็นปัจจัยก็มีความแตกสลายเป็นธรรมดาสิ่งใดมีความแตกสลายเป็นธรรมดานี้เราเรียกว่าโลกในอริยวินยัยว่าด้วยโลกว่างท่านพระอานนทูนถามว่า ที่พระองค์ตรัสว่าโลกว่างด้วยเหตุเพียงเท่าไรจึงตรัสว่าโลกว่างทรงตอบว่าเพราะว่างจากอัตตาหรือจากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาฉะนั้นจึงเรียกว่าโลกว่างก็อะไรเล่าชื่อว่าว่างจากอัตตาหรือจากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาคือจากขุว่างจากอัตตาหรือจากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตารู จากขูวิญญาณจากขูสัมผัสล้วนว่างจากอัตตาหรือจากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาแม้ความสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์ก็ว่างจากอัตตาหรือจากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาอานนท์เพราะว่างจากอัตตาหรือจากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาฉะนั้นเราจึงเรียกว่าโลกว่าง สังคิตธรรมมาสูตรว่าด้วยธรรมะโดยย่อท่านพระอานุ์กราบทูลขอให้ทรงแสดงธรรมโดยย่อซึ่งเมื่อได้ฟังแล้วจะหลีกออกไปปฏิบัติเพียงผู้เดียวข้อนี้เหมือนกันกับหลายพระสูตรที่ผ่านมานะครับทรงถามโดยเนยยะเดียวกันว่าจักขุคือตาเป็นต้นนั้นเที่ยงหรือไม่เที่ยงตอบว่าไม่เที่ยง ก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาไม่ควรคิดว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราและโดยนัยะเดียวกันอายตนะภายในและภายนอกได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายและใจรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะและธรรมารมณ์ล้วนไม่เที่ยงเป็นทุก ไม่ควรถือว่าเป็นเราเป็นของเราอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้นจักขู่เป็นต้นนั้นเมื่อเบื่อหน่ายย่อมกลายกำนัดจิตย่อมหลุดพ้นรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์ทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปช น, นะสูตร ว่าด้วยพระชันนะพระชั น, นะในส่วนนี้เป็นคนละรูปกับพระชันนะที่นำมากันถ ก, กะทรงเสด็จเมื่อกล้องเจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกผนวดสมัยหนึ่งท่านพระช น, นะอาพาธป่วยเป็นไข้หนักต่อมาท่านพระสารีบุตรและท่านพระมหาจุนทะเข้าไปเยี่ยมพระชันนะถึงที่อยู่ ครั้นถามถึงอาการก็ได้คำตอบว่าทุกขเวทนากำเริบหนักไม่รู้เราเลยทรมานมากต้องการฆ่าตัวตายในสำนวนที่แปลามาท่านใช้คำว่าจากนำสัตรามาคือหมายถึงนำของมีคมมาเชือดคอตายท่านพระช น, นะต้องการฆ่าตัวตายท่านพระสารีบุตรจึงปลอบให้รักษา ต, ตัวต่อไป ถ้าไม่มีโพชนะที่เป็นสปายะก็จะหามาให้ถ้าไม่มีอุปถาคือผู้ดูแลท่านพระสารีบุตรก็จะอุปถาด้วยตัวท่านเองท่านพราชนะตอบว่าโพชนะที่เป็นสปายะท่านก็มีอยู่พวกอุปถาที่เหมาะสมก็มีแล้วอีกประการหนึ่งกระผมก็ปรนนิบัติพระาศาสดาด้วยความเต็มใจมาตลอดทีเดียว ข้อที่พระสาวกปรนิบัติพระาศาสดาด้วยความเต็มใจนี้เป็นการสมควรแก่พระสาวกช น, นะภิกษุนั้นจะนำสตรามาจึงไม่ควรถูกตีเตียนสำหรับคำว่าปรนิบัติพระาศาสดาโดยในยะแล้วหมายถึงการประพฤติปฏิบัติจนบรรลุธรรมนะครับจึงชื่อว่าได้ปรนิบัติพระาศาสดา ท่านพระสาวรีบุตรจึงขอถามปัญหากับท่านพระชันน à ดังนี้ท่านชันนะท่านพิจารณาเห็นจักขุ่จักขู่วิญญาณและธรรมะที่พึงรู้แจ้งทางจักขู่วิญญาณว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราและโดยในยะเดียวกันถามถึงว่าพิจารณาเห็นอายตนะทั้งหมดนั้นว่านั่นเป็นเราเราเป็นนั่น นั่นเป็นอัตตาของเราหรือไม่ท่านพระชนะตอบว่าท่านไม่ได้เห็นอายตนะทั้งหมดนั้นเป็นอัตตาของเราท่านพระสารีบุตรถามว่าท่านชนะพิจารณาเห็นอะไรรู้อะไรจึงเห็นสิ่งทั้งปวงนั้นว่าไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราท่านพระชนะตอบว่าพิจารณาเห็นความดับ รู้ความดับในจักขุในจักขุวิญญาณและในธรรมะที่พึงรู้แจ้งทางจักขุ่วิญญาณเป็นต้นนั้นจึงพิจารณาเห็นจักขู่เป็นต้นนั้นว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราเมื่อท่านพระชนนะกล่าวอย่างนี้แล้วท่านพระมหาจุนทะได้กล่าวดังนี้ว่าท่านช น, นะเพราะเหตุนี้แหล แม้การเห็นนี้ก็เป็นคำสอนของพระผู้มีพระภาค พ, พระองค์นั้นท่านพึงใส่ใจให้ดีตลอดการเป็นนิดบุคคลผู้มีตัณหามานะและทิฏฐิอาศัยอยู่ย่อมมีความวันไหวบุคคลผู้ไม่มีตัณหามานะและทิฏฐิอาศัยอยู่ย่อมไม่มีความวันไหวเมื่อไม่มีความวันไหวก็มีความสงบ เมื่อมีความสงบ ก, ก็ไม่มีความน้อมไปข้อนี้คือไม่มีความเพลิดเพลินคือตัณหาเมื่อไม่มีความน้อมไปการมาและการไปก็ไม่มีเมื่อไม่มีการมาและการไปความตายและความเกิดก็ไม่มีเมื่อไม่มีความตายและความเกิดโลกนี้โลกหน้าก็ไม่มีระหว่างโลกทั้งสองก็ไม่มี นี้แหละเป็นที่สุดแห่งทุกข์พรั้นท่านพระสาวรีบุตรและท่านพระมหาจุนทะสอนท่านพระชนนด้วยโอวาสนี้แล้วก็ลุกขึ้นจากอาสนะแล้วจากไปเมื่อท่านทั้งสองจากไปไม่นานท่านพระชนนก็ได้นำสัตรามาคือเชือดคอตายหลังนั้นท่านพระสาวรีบุตรเข้าเฝ้า ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าท่านช น, นะได้นำสัตรามานั้นท่านมีคติมีอภิสัมปรยาพบเป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าสารีบุตรชนนะภิกษุได้บอกว่าจะไม่ถูกติเตียนไว้ต่อหน้าเธอแล้วไม่ใช่หรือ้าแต่พระองค์ผู้เจริญมีหมู่บ้านชาววัชีชื่อปุภพภภวิชนะ ในหมู่บ้านนั้นตระกูลที่เป็นมิตรตระกูลที่เป็นสหายเป็นตระกูลที่ท่านช น, นะเข้าไปอาศัยก็มีอยู่สาหรับคำว่าอาศัยโดยในยะแล้วบางครั้งไม่ได้หมายถึงเข้าไปอาศัยจริงๆนะครับแต่อาจหมายถึงความศรัทธาความยึดมั่นความเลื่อมใสพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสารีบุตร ตระกูลที่เป็นมิตรที่เป็นสหายเหล่านั้นเป็นตระกูลที่ช น, นะภิกษุเข้าไปอาศัยมีอยู่ก็จริงแต่เราไม่กล่าวว่าช น, นะภิกษุมีตระกูลที่ตนพึงเข้าไปอาศัยด้วยเหตุเพียงเท่านี้เธอจงจำข้อความนี้ไว้อย่างนี้เธอว่าเรากล่าวถึงภิกษุที่ละกายนี้เข้าถึงกายอื่นว่ามีตระกูลที่ตนพึงเข้าไปอาศัย ตระกูลนั้นไม่มีสำหรับช น, นะภิกษุช น, นะภิกษุนำสตรามาจึงไม่ควรถูกติเตียนข้อนี้คือการพยากรณ์ว่าท่านพระชันนะบรรลุอรหัตผลแล้วจึงไม่มีที่ไปเกิดที่ไหนอีกและไม่ควรถูกติเตียนสำหรับเรื่องการฆ่าตัวตายของพระอริยะนั้นควรศึกษาให้ละเอียด ซึ่งอธิบายไว้ในพระสูตรหลักแล้วนะครับท่านผู้สนใจสามารถศึกษาได้จากอัถกถาอีกครั้งว่าด้วยความวันไหวภิกษุทั้งหลายความวันไหวเป็นโรคความวันไหวในที่นี้หมายถึงตัณหาความวันไหวเป็นโรคเป็นหัวฝี เป็นลูกสอนเพราะเหตุนั้นแลตถาคตจึงเป็นผู้ไม่หวั่นไหวปราศจากลูกสอนอยู่เพราะเหตุนั้นแลถ้าภิกษุหวังว่าเราพึงเป็นผู้ไม่หวั่นไหวปราศจากลูกสรอยู่เธอไม่พึงกําหนดหมายจากขูไม่พึงกําหนดหมายในจากขู่ไม่พึงกาหนดหมายเพราะจากขู่ไม่พึงกํำหนดหมายว่าจากขูของเรา ไม่พึงกําหนดหมายรูปไม่พึงกําหนดหมายในรูปไม่พึงกําหนดหมายเพราะรูปไม่พึงกําหนดหมายว่ารูปของเราและโดยในยะเดียวกันไม่พึงกําหนดหมายจากขูวิญญาณจากขูสัมผัสไม่พึงกําหนดหมายแม้ความสวยอารมณ์ <iles. S 1> ที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุ <Werk> กข์ ท, กที่เกิดขึ้นเพราะจากขูสัมผัสเป็นปัจจัย ไม่พึงกำหนดหมายในสิ่งเหล่านั้นไม่พึงกำหนดหมายเพราะสิ่งเหล่านั้นไม่พึงกำหนดหมายว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นของเราโดยสรุป ค, คืออายตนะภายในและอายตนะภายนอกอย่างละหกประการคือตาหูจมกกจูกลิ้นกายและใจรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะและธรรมารมณ์ วิญญาณและสัมผัสจะขู่วิญญาณจนถึงมโนวิญญาณจะขู่สัมผัสจนถึงมโนสัมผัสและเวทนาที่เกิดจากสัมผัสของแต่ละอายตนะนั้นไม่พึงกำหนดหมายสิ่งทั้งปวงนี้ไม่พึงกำหนดหมายในสิ่งทั้งปวงนี้ไม่พึงกำหนดหมายเพราะสิ่งทั้งปวงนี้ไม่พึงกำหนดหมายสิ่งทั้งปวงนี้ว่าสิ่งทั้งปวงนี้เป็นของเรา ภิกษุผู้ไม่กำหนดหมายอยู่อย่างนี้ย่อมไม่ถือมั่นอะไรอะไรในโลกเมื่อไม่ถือมัน่นย่อมไม่สะดุ้งกลัวเมื่อไม่สะดุ้งกลัวย่อมดับเฉพาะตนเองรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบโรมจรธรรมกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไป บุคคลกำหนดหมายสิ่งใดกำหนดหมายในสิ่งใดกำหนดหมายเพราะสิ่งใดกำหนดหมายว่าสิ่งใดของเราสิ่งนั้นย่อมเป็นโดยอาการอื่นจากที่กำหนดหมายนั้นคือสัตว์โลกข้องอยู่ในภพมีความเปลี่ยนแปลงโดยอาการอื่นก็ยังยินดีพบอยู่นั่นเองภิกษุทั้งหลายบุคคลไม่พึงกำหนดหมายแม้ขัน ธาตุและอายตนะเท่าที่มีอยู่ไม่พ pues ึงกําหนดหมายในขันธาตุและอายตนะเท่าท uh> ี่มีอยู่ไม่พึงกําหนดหมายเพราะขันธาตุและอายตนะเท่าที่มีอยู่ไม่พึงกําหนดหมายว่าขันธาตุและอายตนะเท่าที่มีอยู่นั้นว่าของเราบุคคลผู้ไม่กําหนดหมายอยู่อย่างนี้ ย่อมไม่ถือมั่นอะไรอไรในโลกเมื่อไม่ถือมั่นก็ไม่สะดุ้งกลัวเมื่อไม่สะดุ้งกลัวย่อมดับเฉพาะตนเองรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบโรมจันแล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปว่าด้วยธรรมะคู่กัน พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมะคู่กันแก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ธรรมะคู่กันคือจักขุกหรือตากับรูปโสตคือหูกับสัทธะคือเสียงคานะคือจมูกกับคันทะคือกลิ่นชิวหาคือลิ้นกับรสสักคือรสกายกับผธภัพคือความถูกต้องสัมผัสทางกาย และมโนโคือใจกับธรรมอารมณ์อารมณ์สิ่งที่ใจคิดใจนึกนี้เรียกว่าธรรมะคู่กันผู้ใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าจะบอกเลิกธรรมะคู่กันนั้นแล้วบัญญัติธรรมะคู่กันอย่างอื่นแทนคำพูดของผู้นั้นคงเป็นเพียงคำพูดเท่านั้นครั้นถูกถามเข้าก็คงตอบไม่ได้ และพึงถึงความลำบากอย่างยิ่งข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเขาถูกถามในสิ่งอันไม่ใช่วิสัยคือไม่มีทางเป็นไปได้ภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยธรรมะคู่กันวิญญาณจึงเกิดขึ้นคือเพราะอาศัยจักขูแล้วรูปจักขูวิญญาณจึงเกิดขึ้นจักขู่ไม่เที่ยงมีความแปรพัน มีภาวะโดยอาการอื่นรูไม่เทียงมีความแปรผันมีภาวะโดยอาการอื่นธมะคู่กันนี้หวันไหวและเสื่อมไม่เทียงมีความแปรผันมีภาวะโดยอาการอื่นจกขู่วิญญาณไม่เที่ยงมีความแปรผันมีภาวะโดยอาการอื่นแม้เหตุปัจจัย เพื่อความเกิดขึ้นแห่งจักุวิญญาณก็ไม่เที่ยงมีความแปรผันมีภาวะโดยอาการอื่นก็จักุวิญญาณเกิดขึ้นเพราะอาศัยปัจจัยที่ไม่เที่ยงจักุวิญญาณที่เกิดขึ้นนั้นจะเที่ยงได้อย่างไรเล่าความประจวบความประชุมความพร้อมเรียงกันแห่งธรรมะสามประการ น, นี้เรียกว่าจักุสัมผัส แม้จักขุดสัมผัสก็ไม่เที่ยงมีความแปรผลันมีภาวะโดยอาการอื่นแม้เหตุปัจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแห่งจักขูสัมผัสก็ไม่เที่ยงมีความแปรผลันมีภาวะโดยอาการอื่นก็จักขูสัมผัสนั้นเ ER. กิดขึ้นเพออราะอาศัยปัจจัยที่ไม่เที่ยงจักขูสัมผัสนั้นจะเที่ยงได้อย่างไรเล่า บุคคลถูกผัสสะกระทบแล้วย่อมรู้สึกถูกผัสสะกระทบแล้วย่อมคิดได้ถูกผัสสะกระทบแล้วย่อมจำได้แม้ธรรมะเหล่านี้ก็หวันไหวและเสื่อมไม่เที่ยงมีความแปรผันมีภาวะโดยอาการอื่นและโดยในยะเดียวกันธรรมะคู่อื่นคือโสตากับสัทธะ หรือหูกับเสียงขานะกับคันธะหรือจมูกกับกลิ่นชิวหากับรสคือลิ้นกับรสกายกับโหดัพะและมโนกับธรรมารมณ์ก็เช่นเดียวกันล้วนเป็นของไม่เที่ยงมีความแปรผันมีภาวะโดยอาการอื่นเพราะอาศัยธรรมะคู่กันแต่ละคู่นั้น วิญญาณของแต่ละอายตนะนั้นจึงเกิดขึ้นความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณนั้นก็ไม่เทียงมีความปรผันมีภาวะโดยอาการอื่นความประจวบความประชุมแห่งธรรมะสามประการนี้คือมโนธรรมารมและมโนวิญญาณที่เกิดขึ้นเป็นต้นนั้นเรียกว่ามโนสัมผัส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 ไม่เที่ยงมีความแปรผันมีภาวะโดยอาการอื่นภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยธรรมะคู่กันนี้แหละวิญญาณจึงเกิดขึ้น